อันวัตถุใดก็ตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของผู้ใดก็ตามที่ทำปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยน ะ, ะตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านั้นน่าเคารพที่สุดปกติแล้วปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยนะเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะก่อให้เกิดอะไรอาวิชาตันหาแล้วก็พากันทำกรรม อนะปุชนเขาจะเป็นลักษณะ น, นี้ถ้าเป็นของพระอริยะทั้งหลายหรือพระรหารทั้งหลายจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตของท่านต่อด้วยอะไรอนะปัญญาหรือที่เรียกว่าวิปัสนาสมถะแล้วก็กิริยาพฤติกรรมศัก์แต่ว่าเนี่ย น, นะวิปัสนาเนี่ยหมายถึงตัวปัญญาไม่อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า วิชาสมถะไปเรียกว่าจรณะวิชาจรณะสัมพันโนพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะพันท่านเหล่านี้ก็คือประเภทอะไรสุขโตใช่ไหมเป็นผู้ไปดีแล้วก็เป็นสุขโตผู้ไปดีแล้วนะพันตาหูผู้ไปไม่ดีเนี่ยนะก็ไปด้วยอัคติใช่ไหม เชนผู้ไปไม่ดีนะสอดสายสายตาด้วยอำนาจตันหาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นมีไหมไม่มีเนี่ยนะเพรา ะ, ะนั้นเขาบอกว่าถ้าตำหนิปุถุชนนะเอาอาวิชากับตันหามาตำหนิได้เลยถ้าสรรเสริญพระอริยะนะคือสิ่งที่ตรงกันข้าม้วก็ไปเจริญพุทธคุณได้เยอะเลยนะก็ไปเปรียบเทียบกันในลักษณะนี้จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าว่าเรา เราเรื่อมสายในในส่วนเหล่านี้ปานใดนะก็สังเกตดูเพื่อเจริญสัตทินซีถ้าที่ใดมีตัณหาอันนะบริวารของเขาเท่ากับมาและใช่ไหมมานะกับทิฏฐิมานะทิฏฐิถือว่าเป็นบริวารของตัณหาแล้วกรรมทั้งที่เป็นกายวาจาแล้วก็ ทากรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะเห็นว่าความประพฤติของะ้าหันทั้งหลายนี่ต่างกันกับปุตุชนปุทุชนทั้งหลายเมื่อทำกรรมด้วยกายวาจาใจาก็นำมาซึ่งชาติระ้าหันเนี่ยทำด้วยกิริยาก็อาชาต์นั่นนะก็ถ้าปุตุชนนะชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกโทมณตและอุปายาต พระหันบอกว่าถ้าชาติดับชรามรณะก็ดับถ้าชรามรณะดับโสกปริเทวทุกโทโมนัสและอุปาญาตก็ดับเนี่ยนะความดับแห่งวัตทุก์ก็มีด้วยประการอย่างนี้แหละ น, นะการซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจของพารยะทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งส ม, มถาวิปัสนาอีกชื่อหนึ่งนะวิปัสนาเรียกว่าสัมปชัญญะส ม, มถะเรียกว่าสติเนี่ยนะ ท่านจะท่านจะเห็นท่านจะได้ยินก็สมบูรณ์ด้วยสติและสัมปชัญญะเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยสมถะและวิปัสนาสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไปดีจริงๆ น, นะเป็นสุขโตเนี่ยนะก็คือไปแล้วพ้นทุกข์ต่างจากทุกขโตนะไปหาทุกข ในชื่อของนิพพานหน้าห้าสิบสองนี่อาจารย์กีสอนชอบคาไหนไไ อ, อ๋อเลย <laughs> ก็สละอุปธิสละสังขาร <laughs> ก็คือสภาวะของนิพพานเนี่ยเป็นอสังขตาใช่ไหม อ, าอาชาตังนะไม่เกิด น, นะ เดี๋ยวจะเกิดโล่ลืมตา ม, มาอีกทีหนึ่งลําบากเลยนะก็ดูเอานะยามินิชอบคำไหนไม่ไดเอาม า, นนาหมอยุพินชอบอนาลโยไ ม, ม ไ, นะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะคิดถึงรถเนะีผ่านเลยคิดถึงบ้านก็ผ่านอีกคิดถึงเสื้อสวยๆผ่านอีกโหไม่อะไรสักอันเลยนะ ไม่ใช่คิดอยู่ตั้งหลายนาทีนะจะเอาไว้หรือปั้นหจะทำไงดีเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นหลายท่านอาจจะชอบโทสักขโยโมหักขโยและตั่นหักขโยที่ถท้ท่ า, ถ, าถ้าชอบโทสักขโญเนี่ยมันเสียใจบ่อยใช่ไหมโทสะมันเกิดร่วมกับความเสียใจถ้ทามหมดความเสียใจเลยจะดีแค่ไหนไม่รู้สึกเครียดเลยนะทั้งชีวิตเนี่ยนะเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นไม่มีโทสะโดยประการทั้งปวงเนี่ยผู้การว่าดีไหม ดีแน่นะก็ดูนะว่าใครชอบคำไหนก็ตั้งความปรารถนาไว้แ <use your 34 uan> ่ม kind of ่ครูคำไหนดีอ๋อไม่ต้องปฏิสนธิอีกเลยนะแบบต่างกับต่างโดยพยัญชนะกาจังเกรสอนจันเกตคำไหนดีอ๋ออาชาตังอ่นนะไม่เกิดอีกกันนะโหเอาไม่เกิดเลยนะไม่เอาอาชรังอ่นะ เกิดมาแล้วนะถ้าไม่เกิดก็ไม่แก่เอถ้าไม่เกิดจากแก่มาแต่ไหนถ้าไม่แก่จากตายมาแต่ไหนเนี่ยนะแล้นก็เออไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่ตายคุณลำนงอะไรเอาคําไหนดีเอาไม่เกิดอีกนะสาธุคุณบุญชูคําไหนขออักคตินะไม่ต้องมีคติห้าสติเนี่ยนะพนิรยะคติสตีพนนรกพน ติระฉานคติเดระฉานสักทีหนึ่งพน้นอะไรเปรตตัคติพ้นการเกิดเป็นเปรตสักทีหนึ่งมนุษย์สกคติพ้นมนุษย์สักทีหนึ่งเลิกเกิดเป็นเทวดาสักทีหนึ่งแล้วอักคติไม่มีคติแล้วคุณนายเอาคำไหนดีเนี่ยเนยนะอะไรไม่ได้ยินเลยอ๋อไม่มีตาําราอย่างเดียวนะเลยไล่ไม่ถูกเลยเอาคาไหนคุณอารีคุณอา ร, อคอรีคำไหน อ๋อนี่พานดับกิเลสเลยนะอืเอาตรงตรงตัวเลยนะไม่ไวโพจน์ไม่เอาและพวกนี้เป็นคําไวพยพจสอะนะคำที่ใช้แทนกันอ่ะนะคุณนภาวคำไหนอ๋อตันหักขยโยเนี่ยนะสิ้นตันหาได้เป็นสุขอ่ะนะผ้ารหัน์ทั้งหลายผู้สิ้นตันหาไม่เป็นสุขทุกเมื่อหมอยุพินอนารโย น, นะเมื่อกี้นะไม่มีอะไรเลยคุณคุณไพรินทนระ์น่ะคําไหนดีกว่าเพื่อนเนี่ย ไม่น่าสนใจสักคำเลยเนี่ยแตนไม่ใช่อย่างนั้นนะยังไม่ได้เลือกเลยนะเอาอะไรนะอ๋ออนุปตัตตินะไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะเออทิ้งทุกอันนี้แล้วไม่ถือเอาทุกอันใหม่ทิ้งภาระอันนี้แล้วไม่ถือเอาภาระอันใหม่โอ้ดีจริงๆอ่ะนะก็เลยชอบอนุปตัตติคุณชูศรีชอบอะไรเนี่ยโอ้อาโศกังอ่ะนะไม่โศกอ่ะนะวีรชังก วีระชังก็คือเรกว่าไร้มนทินเนี่ยนะไม่มีทุลีเครื่องเศร้าหมองเขมังก็กเกษมจันละมุนน่ยจันละมุนชอบอะไรไอ๋ออนาลโยนเนี่ยนะไม่มีอะไรแล้ ว, วจันสุทนันนะเอาคำไหนดี ไ, ได้นะอ๋อเอาอกคตินะไม่ต้องมีคติที่ไปอีกแล้วว่างั้นจบสักทีว่างั้นคุณ คุณปิดาอ๋ออนาลายโย น, นะไม่มีอะไรจำเป็นนิดอะไรแนเ่เมื่อกี้อ๋อเอาอาสังคตังกันนะเลิกปรุงแต่งสักทีหนึ่งอันนะสร้างไม่เลิกสักทีอันนะเลิกสร้างสักทีจะได้จบสักทีนั่นนะนะหาเรื่องปวดหัวมาให้ตลอดนะสร้างเสร็จก็นั่งเครียดกันอ่ะนะคุณทุจีนอนะ่ะฮะเอาจะเอาคําไหนอีกอนะ่ะ มไม่พะตับใจเลยหรอโอ้โหมนีีคำลึกซึ้งกว่านี้อีกเลยเขาเรียกว่าก็ไม่หวั่นไหวอาจารละโตใช่ไหมอาจาร์ละโตไม่หวั่นไหวก็ คือคือคําว่าวันไหวเนี่ยมันตรงวันไหวนี่เป็นเชื้อของสังขารไงสังขารเนี่ยวันไหวนิพพานเนี่ยไม่หวันไหวอาจารละโตก็ได้เห็นะหมเชอบไม่หวันไหวเห็นไหมมาชอบหมดเลยดีหมดเลยนะเนี่ยนะชอบหมดเลยนะเนี่ยสํำรอกตัญหาโดยไม่มีส่วนเหลือเลยนะนี่ก็ดีนิโรธาเนี่ยนะดับทุก์ทั้งหมดก็ดี จาโคเนี่ยนะสละวัตตะโดยประการทั้งปวงก็ดีปฏินิสัคโคลสละคืนไปหมดเลยบริจาคหมดแล้วไม่เอาละเนี่ยนะคายหมดอ่ะนะปฏินิสัคโคลประดุดคายอ่ะนะปฏิอีกคำหนึ่งก็เหมือนกับอาเจียนออกหมดเลยไม่เหลือละมุติก็พ้นสักทีนึงเนี่ยนะเคยบ้านถูกไฟไหม้แล้วนะออกมาได้ก็ดีใจเลยนะเออพ้นสักทีหนึง่งอย่างเงี้ยอนารโยก็คือไม่มีอะไรประดุด ประดุดอะไรนะเสรีชนใช่ไหมเสรีชนเนี่ยไปไหนก็ไม่เหงอ า, อ, าอะไรอาวุอะไรแต่นี้ไม่ได้สั่งเสียเต็มไปหมดเลยนะร า, ราคาขัดเขยก็สิน้นราคะโทสักโยก็สิน้นโทสักเออถ้าสิ้นโทสานี่อาจจะเห็นนะบางคนที่เรียกว่าเครียดบ่อยๆเนี่ยนะฮะถ้าเลิกเครียดได้มันดีเลิกโทสะเลิกหงุดหงิดเลิกเดือดร้อนเลิก ร, รําคาญเลิกวิตกกังวลสัทีหนึ่งอ้น่าจะดี โมหะคโยเนี่ยนะสิ้นในความโง่สัทีหนึ่งบางคนเนี่ยเสียเสียรู้มาเยอะใช่ไหมเสียงโง่มามากๆเอถอถ้าไล่ความโง่ได้มันประเสริฐที่สุดเลยคนบอกว่าตันหักคโย ส, สิสิ้นความปรารถนาสักทีหนึ่งอนะตันหาเนี่ยพาทุกอย่างนั้นตันหาพาอยากตันหาพาเดือดร้อนทุกครั้งก็แล้วสหมดตันหาได้ก็ดีอนุ ป, ปาโททิ้งทุกอันนี้ไม่ถือเอาทุกอันใหม่ก็ดีอภิวัตตะเอ้ยวัตตะมันเลิกเป็นไปสัทีหนึ่งก็ดี อนิมิตะไม่มีนิมิตคือขันห้าก็ดีอัปะนิหิตะไม่มีที่ตั้งขันห้าไม่มีตั้งอีกแล้วก็ดีอนายูหณนะเนี่ย น, นี่แปลใหม่นะอนายุหณนะแปลว่าไม่ประมวลมาซึ่งพบใหม่เป็นความดีไอ้คำว่าไม่พยายามตัวนั้นนะแปลใหม่นะอนายุหณะแปลว่าไม่ประมวลมาซึ่งพบใหม่หรือว่าไม่นำปฏิสนธิมาให้อีกหรือไม่นำเกิดในพบใหม่อีก เพราะว่าอายุหะณะเป็นชื่อของสมุทัยเนี่ยนะอนายุหะณะเป็นชื่อของนิพพานอัปปติสนทีก็คือไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยนะไม่เรียกว่าปฏิสนทีวิญญาณไม่หยั่งลงในคันแห่งมารดาอีกต่อไปอนุปติไม่อุบัติ อักติไม่มีคติห้าอักติอันนี้ไม่ใช่โธไม่ใช่ฉันทาคติโทสาคตินะแต่หมายถึงว่าไม่มีคติห้านิริยคติเป็นต้นอัชาตังไม่เกิดอัชรังไม่แก่อัพยาธิไม่เจ็บแสดงว่าในนี้ไม่ค่อยมีคนป่วยสักเท่าไหร่เลยนะเลยไม่กลัวเจ็บคุณปิดากลัวไหมกลัวเจ็บไหมกลัวเหมือนกันนะให้มันเข็มสุดท้ายสักทีนะเราให้มังไปเยี่ยมคุณปิดาก็ป่วย บอกหวังว่าเข็มนี้เป็นเข็มสุดท้ายว่างั้นวันละวันละกี่เข็มเนี่สองเข็มเองเลยวันละสี่อ๋อวันละสี่เข็มเองอนะืมเมื่อไหรจะเข็มสุดท้ายสักทีง่้นไหไม่เข็มสุดท้ายหรอกพอมันมีขันห้าถ้ามีขันห้างออย่างนี้เลยมันก่อนโยมก็ป่วยนะบอกช่วงนี้เป็นยังไงบ้างบอกหายแล้วบอกโอ้ยยังไม่หายบอกถ้ามีขันห้าไม่หายหรอกเชื่อเหอ ทิ้งโรคอันนี้ก็ถือเอาโรคอันใหม่ทิ้งทุกอันนี้ก็ถือเอาทุกอันใหม่เนี่ยนะเพราะว่าโรคทั้งหลายไม่ได้เกิดที่ใบไม้ใช่ไหมเกิดที่ในขันนี่แหละถ้ายังเหลือขันอยู่นะโ๊้ที่จะให้หมดโรคเลยเนี่ยไม่มีทางนะหมดขันนั่นแหละจึงจะหมดโรคอ่นะประดุดเหมือนอะไรนะเหมือนกับนะของที่มันมีกลิ่นเหม็นทั้งหมดเลยนะถ้าหมดวัตถุนั้นอนะ่ะมันจึงจะเลิกเหม็นถ้ายังวัตถุนั้นยังอยู่ไม่มีไม่มีหายเหม็นเหมั้น อะมะตังก็คือไม่ตายเนี่ยนะเลิกตายสักทีหนึ่งอะโสกังไม่โศกอปริเทวังแปลว่าไม่ปริเทวะก็คือไม่เครียดนั่นนะนะอนุปายาสังไม่คับแค้นใจอ่ะนะเลิกเลิกอึดอัดสักทีหนึ่งอ่านะพ้นจากความอึดอัดสักทีหนึ่งอะสังกิริถังเลิกเศร้าหมองสักทีหนึ่งเนี่ยนะคือพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะเข้าเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็ยกเรียกว่าวัยพจนะนะเป็นวัยพศวัยวัยพ์มาจากเววัจนะเววัจนะหาระก็คือคําที่ใช้แทนคําว่านิพพานเนี่ยนะนะก็มาจากคําว่าเววัจนะวัยพศเนี่ยน ะ, นะะถ้ากล่าวถึงสภาวะของนิโรธที่เป็นที่ดับแห่งตัณหานะเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรถ้าหากว่าเราไม่พยายามทรงจํา อริยสัต์เนี่ยนะทั้งสี่บทเอาไว้เนี่ยก็ยากนิพพานเนี่ยเขามีหลายชื่อนะถ้าถ้ามีอีกหลายชื่อจะเอาสักสองร้อยกับชื่อเอาไหมนะจักขุนิโรธอย่างเงี้ยโสตะนิโรธคานนิโรธเชิวหานิโรธกายะนิโรธมโนนิโรธเนี่ยพวกนี้ก็เป็นชื่อของนิพพานนะรูปนิโรธสัทธานิโรธคันธานิโรธรสนิโรธ โธทานิโรธธรรมนิโรธอย่างเงี้ยพวกนี้ก็เป็นชื่อของนิพพานหรือว่าจักขู่วิญญาณนิโรธโสตวิญญาณนิโรธคานาวิญญาณนิโรธเชิวหาวิญญาณนิโรธกายะวิญญาณนิโรธมโนวิญญาณนิโรธพวกนี้ก็เป็นชื่อของนิพพานหรือจักขู่สัมผัสนิโรธโสตสัมผัสนิโรธคานาสัมผัสนิโรธเชี่วหาสัมผัสนิโรธกายะสัมผัสนิโรธมโนสัมผัสนิโรธเนี่ยนะ ก็เหมือนกับในหน้า13ใช่ไหมรูปเสียงนะพวกเนียภาษาทั้ง6เนี่ยเป็นที่ละเป็นที่เจริญใจในโลกตัญหาเมื่อจะเมื่อจะละก็ละได้ที่นี้เมื่อจะดับก็ดับได้ที่นี้ก็หมายถึงว่านิโรธคืออาสังคตะธาตุาที่แทงตลอดนั่นแหละเป็นที่ดับเป็นที่ดับแห่งทุกเหล่านี้แม้กระทั่งเวทนา6นะเวทนาที่เกิจดจากทวา น, นนะฉะนั้นความดับ เวทนา6ความดับสัญญา6ความดับเจตนา6ความดับตัณหา6ความดับนิตก6ความดับนิจารณหกพวกนี้ก็เป็นชื่อของพระนิพพานนะนะหรือความดับอุปาทานขันห้าความดับธาตุหความดับอายตนา12ความดับธาตุสิดความดับกสินสิบเป็นต้นนะพวกความดับเหล่านั้นเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นชื่อของนิพพานมันก็นิพพานนี้ถ้าหากว่ากลุ่มตัณหาเจริญนะไม่ชอบ เฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะนะเฮ้ยไม่มีทุกข์ให้เลให้ให้ใ ห, ให้ให้แก้เลยอ่ะนะพวกนี้ก็แสดงว่ารู้จักขันห้าน้อยมากถ้ารู้จักตาดีๆนี่จะรู้ตาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์เลยนะ ถ้าเราลองดูนะว่าขันท่าเนี่ยเราต้องควรคิดขัน5ในทวารหใช่เช่นอาศัยจากโคกกับอะไรกับรูปเกิด<า>เกิดจากโูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนามีสาม่แลนะีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมี อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีจักขู่นะอันอาศัยจักขู่จึงเกิดอะไรอาศัยจักขู่กับรูปจึงเกิดมิญญานธรรมสามอย่างประชุมกันเป็นภาษาวะตามันก็เป็นไปในในลักษณะนี้เมื่อมันเป็นไปในลักษณะนี้นี้เราพูดถึงอันเดียวคือตัวพเนี่ยคือตัวกรรมเนี่ยนะ ตัวกรรมนี่เป็นตัวที่เห็นๆ เ, เลยทาให้มีตาขึ้นทีนี้ไอ้กรรมนี่มันก็แบ่งประเภทว่ากรรมบางอย่างให้ผลเป็นรูปบางอย่างให้ผลเป็นนามอย่างเช่นไอ้ตัวกรรมเนี่ยก็แบ่งเป็นเจตนาดวงที่ น, นะดวงที่หนึ่งใช่ไดวงที่สองถึงดวงที่หกดวงที่เจ็ดเนี่ยนะก็คือพบเนี่ยันดวงที่หเนี่ยสามารถทาให้เกิด พวกวิญญาณภาษาเวทนาได้หรือว่าดวงที่เจ็ดก็มีผลทําให้มีพวกนี้ได้ดวงที่หนึ่งก็ทําให้มีพวกนี้ได้นะทให้เกิดด้วยอำนาจกรร ม, มปัจจัยหรือที่เรียกว่าตัวนี้นะนานักคณิกะกรร ม, มส่วนที่ใดมีตันหาที่นั่นก็มีอวิชชาเพราะตันหาจะชอบในวัตถุที่ กวิชาปกปิดพันพวกตันหากาวิชาเนี่ยถือว่าเป็นอันนี้เป็นปกตูปะนิสยปปจจัยเป็นอุปนิสยัยเป็นตัวที่มีกำลังมากที่ทำให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นก็อันนี้แบบทั่วๆไปก็จะโครงสร้างกว้างกว้างก็อย่างนี้ น, นั่นเอง แต่ทีนี้เอกกรรมที่มาทําให้มีตามีรูปมีจักรคูวิญญาณภาษะอันนี้มันหมายความว่าที่ทําชาตินี้นะทั้งชาตินี้ที่ทําอะแล้วชาติเนี่ยมันมีอยู่ชาตินี้เท่านั้นหรืออดีตแม้กระทั่งแสนโกรธกลับที่แล้วเนี่ยก็มามาให้ผลได้หมดเลยอดีตแม้กระทั่งเมื่อแสนโกรธกลับที่แล้วก็ยังเป็นอุปนิสัยให้เอ่า เป็นนานาคคานิกกรรมมปัจจัยให้จกักขูวิญญาณเป็นต้นเนี้ยเกิดได้สงข้อเป็นขันห้าหน่อยนะจกักขูกับรูปเป็นอะไรขันรูปประขันวิญญาณเป็นวิญญาณขันภาษาเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันถ้าที่ใดมีเวทนาที่นั่นก็ต้องมี สัญญาก็เป็นสัญญาขันก็เป็นขันท่าเห็นไหเวทนาเกิดเนี่ยเพราะกรรมเกิดหมายคะ ว, ว่าตัวเวทนาเนี่ยมันในฐานะเป็นผลของกรรมถ้าไม่มีกรรมเวทนาก็ไม่มีะจะว่าโดยเดี๋ยวไหมนะ อันนี้โครงสร้างแบบนี้เราเข้าใจแล้วใช่คือเวทนามันเกิดจากอารมณ์ิเลอะไร่นีอารมณ์กคือเวทนาอ่อย่างอย่างสมมติว่าอาศัยจากโคกับรูปเกิดอะไรนะวิญญาณภาษะและเวทนาโดยทั่วไปเนี่ยวิญญาณภาษะเวทนาพวกนี้หมายถึงชาติพิบัก พวกนี้มีจักขุในฐานะเป็นวัตถุมีรูปเป็นอารมณ์มีจิตดวงก่อนเป็นอนันตระปัจจัยเนี่ยนะจักขุทวาราวัชระในฐานะเป็นปัจจัยแล้วก็มีอะไรอีกอาศัยแสงเป็นปกตูปานิสยปัจจัยเนี่ยนะทีนี้พวกเนี่ยเมื่อเป็นชาติวิบากเนี่ยมันเท่ากับเป็นรหัสบอกว่า บางอย่างเป็นผลของทิฏฐธรรมะทิฏฐธรรมะเวชนิยะวิบากหมายถึงวิบากที่เป็นผลเกิดจากเหตุในชาตินี้บางอย่างเป็นอุปัชชาเวชนยัววิบากหมายถึงวิบากที่เสวยผลของกรรมที่ทาในชาติที่แล้วมาบางอย่างก็เป็นอปปรตริยวิบากในบางกรณีเนี่ยถ้ายกเวทนาอันนี้เนี่ยเกิดจากกรรมอย่างเดียวนะมันก็ฟังแล้วมันเลยทง ถ้าไม่มีตาจะมีเวทนาไหมไม่มีถ้าไม่มีสีจะมีเวทนาไหมถ้าตาสีมีถ้าไฟดับเวทนาก็ไม่มีถ้าไม่มนาสิการเวทนาก็ไม่มีถ้าโยนไปให้กรรมเก่าก็เลยกลายเป็นปุบผ้าหตุกาวาสลัดที่กรรมเก่าไปหมดเลยหันโยนไปให้กรรมเก่าทั้งหมดไม่ได้แต่จะปฏิเสธกรรมเก่าก็ไม่ได้เนี่ยนะเพรา ะ, ะส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าจักขุเนี่ยในฐานะเป็นบอกเกิดของ เวทนา น, นะนี่ไงก็ชี้ทางนี้เห็นว่ามันชาติวิบากก็เลยเป็นผลของของกรรมทีนี้ถ้าที่ใดมีกรรมที่นั่นก็ทำไมจึงเป็นกรรมทำไมกรรมมันจึงให้ผลเพราะวิชากับตัณหาอาวิชชาในฐานะเป็นอะไร อวิชาตัญหานะเป็นเป็นเหมือนกับแม่กรรมนี่เป็นเหมือนกับพ่อถ้าพูดคนนี้ลูกของใครนะถ้าพูดถึงฝ่ายพ่อคนนี้ก็ต้องมีแม่อยู่แล้วเนี่ยนะั้นมีอวิชาตัญหาเป็นแม่มีกรรมเป็นพ่อนะวตาก็อย่างนี้ฉั้นกันบอกว่ า, าเวทนาเกิดเพราะอาวิชาเกิดเพราะตัญหาเกิดหมายถึงว่าแม่ เวทนาเกิดเพราะกรรมเกิดพูดถึงพ่อเวทนาเกิดเพราะภาษาเกิดอันนี้เหมือนกับพี่เลี้ยงนางนมที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะคอยคอยดูแลคอยอุปถัมภ์อยู่นั่นแหละถ้าถ้าเป็นชวนะไม่ได้เวชวนะนั้นมันฐานะเป็นเวทเชวนะเนี่ยในฐานะเป็น ไม่ได้เกิดจากกรรมตรงๆชาวนะเวทนาในชาวนะไม่ใช่เป็นผลของกรรมไอ้ไอวิธีพิจารณาโดยอาการย5สหเนี่ยนะเกิดโดยอาการ2ี่สิบ้าดับโดยอาการยี่สบห้าเน้นวิบากกับกรรมมชรุปอานเน้นวิบากกับกรรมมชรูปเป็นหลักอันนี้ตรงๆนะพูดวิบากกับกรรมมชรูปเรียกว่าพูดแบบตรงแต่ถ้าพูดในชาวนะเรียกว่าพูดแบบอ้อม เพราะว่าเวทนาเนี่ยนะเวทนาในชาวนะไม่ได้เป็นผลของกรรมเพราะตัวมันเองเป็นตัวกรรมชาวนะนี้เป็นเป็นชาติชาติชาติเหตุไม่ใช่ชาติชาติวิบากานะในเพราะเขาเนี่ยเป็นฐานะตัวกรรมไม่ใช่ตัววิบากก็เป็นาตก็ก็โดยทั่วๆไปเขาก็ไม่พิจารณาเขาจะเอาถือเอาชาติวิบากเป็นหลักเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะดับนี่ดับอะไร ก็ดับเนี่ยจกักขโรูปวิญญาณภาษาเวทนาถ้าไม่มีเนี่ยจกักขโรูปวิญญาณภาษาเวทนาเนี่ยตัณหาจะเกิดไหมกรรมจะทำต่อไปไหมมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถือว่าพูดอีกนายหนึ่งนะถ้าไม่มีตานะเราไม่พูดถึงสิ่งนั้นเด็ดขาดนะถ้าไม่เห็นสักอย่างเดียวนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงกันนะสมมติว่าน้าท่วมเนี่ยผู้การไม่เห็นอย่างเงี้ย จะต้องมีตานหามีกรรมอะไรไหมตอนนั้นนะในขณะนั้ น, น, นก็ไม่มีกร็นัไม่มตดนั้นแล้วอวิชาเนก็ยังห่างของุนะครับถ้าเกิดเวทนาในุจิตนีอวิชาตัวนั้นเป็นปัจจัยเวทนา่อคือทั่วๆไปเนี่ยไ อ, ไ, อไอการพิพจารณาเหตุเกิดความดับเนี่ยนะ เขาพิจารณาเน้นตัวปัจจัยกับอะไรปัจจัยุบบันนะตัวปัจจัยคืออวิชชาตันหกรรมตัววิบากก็เช่นรูปเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะอวิชชาตันหกรรมเนี่ยเมื่อฐานะเขาเป็นปัจจัยเขาเกิดขึ้นต้องมีอะไรวัตถุมีอารมณ์มี อุปนิสัยเขาเกิดด้วยปัจจัยตั้งมากน่นะทีนี้เมื่อมีรูปเวทนาเนี่ยรูปเวทนาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งเป็นที่โคจรแห่งอวิชชาเป็นที่โคจรแห่งตัณหาเป็นที่โคจรแห่งกรรมเพราะกรรมเวลาจะเกิดก็ต้องอาศัยพวกนี้เพราะฉะนั้นเข้าที่เขาดับเนี่ยม่วงดับอันนี้ใช่ถ้าพวกนี้ดับ รูปเวทนาเป็นต้นก็ดับถ้าวิชาตัญหากรรมดับรูปเป็นต้นก็จะดับมันก็มาเน้นดับที่ที่ตัวเหตุเนี่ยนะก็ตัวที่เรากลัวจริงๆอะกลัวพบกลัวปฏิสนธิเป็นหลักเพราะว่าต้นต้นกําเนิดแห่งวัตถุทุกทั้งหมดอยู่ที่ชาติเนี่ยนะเริ่มนะครับว่า จุดเริ่มต้นแห่งความทุกข์ทั้งมวลนี่มาจากปฏิสนธิถ้าไม่ปฏิสนธิในครันของแม่ที่เป็นเอิดอย่างเดียวเนี่ยนะทุกทั้งหมดจะมาไหมก็เรียนทั้งหมดนี่ก็เพื่อจะดับอวิชชาตันหาแล้วก็กรรมแต่ถ้าถ้าเป็นตัวชาวนะเนี่ยนะถ้าตันหาเกิดเนี่ยเขาวิเคราะห์แบบไหนก็คงไม่ลืมนิวร บ, บพะใช่ไหมว่า เมื่อการมาฉันทานิวร์เนี่ยนะเกิดก็รู้ชัดว่าการมาฉันทานิวรนเกิดการมาฉันทานิวร์ไม่มีณภายในก็รู้ว่าการมาฉันท่าไม่มีณภายในนะการมาฉันทานิวร์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดการมาฉันทานิวร์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดก็รู้ชัดเพันธาพูดถึงตัวตัวในชาวระเนี่ยก็จะเอาเป็นไปเอาอีกกลุ่มหนึ่งเอานิวร์บัพพากับโพุทธชองบัพพะมาคิด นนะก็จะไม่อยู่ในเงือ่อนไข่เพราะอาวิชชาเกิดพวกนี้จึงเกิดแต่ก็มีบางในอ น, น, นอเรื่องยาวหมดเวลาแล้ว